ตอนพาบินทบัตจะกล่าวการเตรียมไปบินทบัตเมื่อองค์ท่านเดินไปถึงบันไดศาลาก็มีผู้หนึ่งคอยรับถอดรองเทา้าเอาเก็บไว้ที่ควรระวังไม่ให้น้ำถูเพราะรองเท้าหนังองค์หนึ่งถือกระบวย y ล้างเท้าด้วยมือขวามือซ้ายถูตามแข้งและฝ่าเทา้าทั้งใต้ฝ่าเท้าและหลังเทา้าเทถูเทถูโดยเร็วและไม่ให้กระทบกระเทือนด้วยและไม่แสดงมารยาทอันไม่ตั้งใจแลบออกมาให้ปรากฏ ด, ด้วย และมีผู้คอยเช็ดเท้าอีกทั้งต้องเช็ดเร็วๆแต่เร็วมีสติไม่ให้สะเทือนเกินไปไม่ให้เบาเกินไปองค์ท่านขึ้นไปถึงศาลาฉันไม่ได้นั่งลงกราบพระพุทธรูปเพราะศาลาฉันต้องตร ง, ตงไม่มีพระพุทธารูปศาลาที่มีพระพุทธรูปลงอุโบสถนั้นต่างหากแล้วก็ซ้อนสังขาติถวายองค์ท่านเล่นไว้แต่ถ้าทางฝนจะตกขณะนี้ต้องซ้อนช่วยกันสององค์ องหนึ่งมวนลูกบวกช่วยสองสามรอบแล้วปิดลังดุมคอถวายองหนึ่งปิดลังดุมใต้ถวายการเข้าบ้านซ่อนสังขาติกลัดลังดุมใต้และบนนี้อง์ท่านถือเข่งมากตลอดถึงการนุ่งสบงที่มีขันเข้าไปทุระในบ้านเช่นบินทบาดและสวดมนต์องท่านกล่าวว่าการห่มผ้านุ่งผ้าพระลังกาชอบเอาอนุวาดเข้าพัางในเพราะกันผืนเดิมไม่ให้ซุยผูก่อนอนุวา จะเอาอนุวาดเข้าข้างในหรือออกนอกก็ไม่ผิดวินยัยจะผินเบื้องบนเบื้องล่างสลับกันไปก็ไม่ผิดพระวินยัยเพราะที่ละแข่งจะได้ทนหรือสึกหลอทันกันองค์ท่านอธิบายอย่างนั้นผู้เขียนได้ฟังกับหูเห็นกับตาและชอบจำมาถ้าไม่เขียนให้ละเอียดบ้างยุกวัดป่าบ้านน้องถือของหลวงปู่มั่นก็จะเลือนลางไปไม่สมดุลกับผู้เขียนที่เป็นกบไปเฝ้าดอกบัว เป็นกาไปจับภูเขาทองสี่ปีเศษเพราะยุควัดป่าบ้านหนองผือเป็นยุคสุดท้ายแห่งหลวงปู่มั่นและเก็บลูกศิษย์ก็เก็บไว้มากกว่ายุคใดๆในสำนักสิ่งใดเป็นประโยชน์แก่ลูกศิษย์ก็ทุ่มเททอดสะพานให้ไม่ปิดบงังไม่ว่าแต่เท่านี้ผ้าสังขาและจีวรขององค์ท่านท่านใส่รังดุมทั้งดุมคอและดุมล่างทั้งสองทางวันหนึ่งห่ผมผินทางหนึ่งขึ้นสลับกันเป็นวันวันลูกศิษย์ผู้ไปซ่อนไปห่มให้ ต้องมีสติจําไว้จึงห่มถวายให้ถูกเป็นวันๆจึงถูกกับธรรมประสงค์ขององค์ท่านการจําของก็ก็ก็ดเก็ดผสมประสานกันไว้เป็นของประกอบปฏิปทาขององค์ท่านและลูกศิษย์ด้วยไว้ให้สำเนียกในปัจจุบันและอนาคตว่าลบเลือนเปลี่ยนแปลงมาตามยุคตามสมัยเพียงไรบ้างในข้อวัดถ้าเขียนข้อวัดปฏิบัติพระเจริฝ่ายทุดงในอดีตการยุคกรุงเทพก็เก่งว่ากระเทือนโลกปัจจุบันมีแล้ว ผู้เขียนก็มีที่อ้างครั้งพระพุทธการเป็นสารพิจารณาว่าเด็ดเดียวปลาเลียวเพียงใดมีพิษเขเวพิษเขเวออกหน้าแล้วห่ำห่ำหันหันซำซำซักซั ก, ซ ก, ซกอยู่ทุกบททุกตอนการสําคัญตัวว่าประพฤติเส้นในปัจจุบันของยุคเดี๋ยวนี้ก็ดีคงจะพอเป็นพอใช้ได้ในครั้งพุทธการหรือประการใดการสําคัญตัวว่าเป็นมัติมาคงจะเป็นจวนจะพอใช้ในครั้งพุทธการก็มัง การสำคัญตัวว่าหย่อนมากคงจะเป็นเหลวมากจนฉันไม่ได้ในกัางพุทธกาลก็อาจจะเป็นได้ครั้งพระพุทธกาลเดินจงกรมจนเท้าแตกจึงว่าเคร่งจนเกินไปแต่ทุกวันนี้เดินไปชนหิมชนตอเลือดออกบ้างก็ว่าตนอดทนและเข็งตนไม่มีสติก็ไม่ว่าจะแล้วน่าควรคิดไว้ผู้เขียนเล่าดีขนาดไหนละ่ะผู้เขียนก็ไม่ดีดอกดีแต่คาพูด แต่เขียนไว้เพื่อเตือนตนในยามที่ควรเตือนและการเขียนการแต่งหลวงปู่มั่นก็ไม่ค่อยส่งเสริมเพราะองค์ท่านถือว่าพระพุทธเจ้าเขียนแต่งไว้มากพอแล้วเรื่องดินทบทัดพอหกโมงเช้าทำเนียมบ้านหนองผือเขาก็ตีขอไม้ตะเขียนเป็นสัญญาณดังไกลเป็นสามบทติดติกันหมายความว่าเพื่อเตรียมตัวใส่บาตรแล้วพวกเราชาวบ้านแต่พอพระผ่านละแวกบ้าน เขาก็ตีขออีกสามบทเขารวมกันเป็นกลุ่มยืนเรียงลายกันเป็นทิวแถวแต่ละกลุ่มก็มีผ้าขาวปูมาเยาวๆไว้เรียบส่วนมานั่งของหลวงปู่มั่นเขาทําพิเศษต่างหากสูงกว่ากันพอยือนรับบินธบัดแล้วก็นั่งให้พรเขาพร้อมกันไปกลุ่มอื่นอีกก็เหมือนกันมีสามกลุ่มแล้วก็กลับวัดหลวงปู่มั่นค่อยกลับตามหลังกับพระผู้ติดตามองค์หนึ่งตามหลังกลับมาด้วย มีโยมผู้ชายรับบาทพระผู้ใหญ่มาวัดวันละสี่ห้าหกคนไม่ขาดฝ่ายพระผู้น้อยที่กำลังถือนิสัยและเนนก็ดีรีบกลับให้ถึงวัดก่อนเพื่อจะได้ทันข้อวัดของครูบาอาจารย์เช่นล้างเทา้าเช็ดเทา้ารับผ้าสังขาและจีวรหรือเตรียมแต่งบาตรแต่งพ ก, กนต้นแต่ในฤดูพันษาพระเนนทั้งหลายเข้าเขตวัดแล้วไม่รับอาหารอีกจะได้จัดแจงแต่งถวายแต่เฉพาะองค์หลวงปู่ มีบทอาหารใส่ครกบ้างซอยผักบทในครกให้ละเอียดบ้างเพราะองค์ท่านจะเคี่ยวไม่ละเอียดเพราะไม่มีฟันใช้ฟันเทียมแทนแล้วก็จัดข้าวใส่บาตองค์ท่านมีข้าวสวยปนบ้างส่วนกับข้าวนั้นจัดใส่ภาชนะถวายวางไว้ใกล้แล้วองค์ท่านเอาใส่เององค์ท่านฉันรวมในบาต ท, ทั้งหวานและข้าวด้วยไม่สดช่อนด้วยโอวันตินนั้นเอาใส่แก้วไม่ใหญ่โตขนาดกลางใส่พอดีพอครึ่งแก้ว ตั้งไว้มีฝาครอบพอฉันอาหารอิ่มแล้วองค์ท่านก็ฉันประมาณสามสี่คืนไม่หมดแก้วสักวันแต่ก่อนจะลงมือฉันก็ให้พรเป็นพิธีพร้อมกันธรรมดาบ้างสัพพุท ธ, ธาบ้างแต่ถ้าวันเข้าประดับดินและวันศัตรสวดพาหุงบ้างการให้พรไม่ได้ประนมมือทั้งสวดพาหุงทั้งใส่บาทในขณะเดียวกันองค์ท่านไม่พาทาเลยเพราะถือว่าไม่เป็นการเคารพธรรม ใส่บาตรเรียบร้อยก่อนจึงสวดถ้าไม่สวดก็ให้พรธรรมดาและก่อนจะลงมือฉันองค์ท่านก็ทอดสายตาลงพิจารณาอาหารในบาทอยู่สักคู่พอควรจึงลงมือฉันและพระเนนยังไม่เสร็จยังจัดแจงของเจ้าตัวแต่ละลายยังไม่เสร็จตราบใดองค์ท่านก็ยังไม่ลงมือฉันก่อนเมื่อลงมือฉันแล้วถ้าไม่จําเป็นจริงๆองค์ท่านก็ไม่กล่าวไม่พูดอันใดขึ้นถ้าจําเป็นจริงๆกืนคำเข้าแล้วจึงพูด แต่น้อยที่สุดเป็นระเบียบเรียบร้อยมากมีสติอยู่กับความเคลื่อนไหวของกายในการจะหยิบจะวางจะเหยียดแขนคู่แขนแล่ซ้ายแล่ขวากิจวัดประจําวันขององค์หลวงปู่มั่นย้อนมาป่าลกเรื่องอาหารที่เข้ามาในวัดแล้วไม่หลับในฤดูพรรษาเป็นมติขององค์หลวงปู่มหาพาหมู่เพื่อนทำเพื่อตัดรอนความยุ่งยากจุกจิกออกจากหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นเป็นเพียงป่าลกว่า อาหารที่ได้มาเป็นธรรมตกลงในบาทแล้วพระจะแจกกันในวัดหรือนอกวัดก็ไม่เป็นไหลหรอกครั้ง พ, พุทธการเบื้องต้นที่มีสาวกขึ้นใหม่ๆห้าองค์มีโกนธัญญะวัปปะพัติยะมหานามะอัศชิองค์หนึ่งจัดให้เฝ้าบริขาร น, นอกนั้นไปดินถบาทมาเลี้ยงกันเป็นบางเผ่าเมื่อพระไม่แจกกันฉันกันใจจะให้ใครมาแจกให้เราแต่เราไม่บังคับ ในส่วนนอกวัดและในวัดแล้วแต่ศรัทธาเป็นเองดังมีและการเว้นไม่ฉันอาหารยุคหนองผือหลวงปู่มั่นไม่ค่อยได้ทำกันถึงมีผู้ทำก็เพียงเว้นวันเดียวคือปีสองสี่แปดเก้านั่นเองมีสิบเอกพันอดอาหารวันหนึ่งเท่านั้นชะลอยจะเป็นเพราะข้อวัดจำกัดใครๆก็ไม่อยากขาดข้อวัดอันเกี่ยวกับหลวงปู่มั่นและส่วนรวมเท่าที่สังเกต ด, ดูในยุคนั้นท่านพระอาจารย์มหาบัว ที่เรียกเดี๋ยวนี้ว่าหลวงปู่มหาเวลาที่อยู่กับหลวงปู่มั่นคงจะนึกอยากจะเว้นอาหารอยู่แต่มีเหตุผลในใจว่าเราเป็นพระผู้ใหญ่อยู่กับองค์ท่านเราจะได้สังเกตองค์ท่านว่าวันหนึ่งๆองค์ท่านฉันได้เท่าไรเข้าวหมดขนาดไหนกับอะไรหมดขนาดไหนเราจะได้สังเกตประจําวันเพื่อจะจัดถวายให้ถูกเท่าที่มีมาโดยเป็นธรรมแม้องค์ท่านหยิบใส่บาตรเองก็ดี เราจะสงวนรู้ว่าหยิบอะไรบ้างเพราะเราเป็นห่วงองค์ท่านมากเมื่อองค์ท่านฉันได้บ้างเราก็ปลอยเบาใจเมื่อฉันไม่ได้เราก็สนใจในเรื่องนี้หันมาปาลบเรื่องนี้ติดต่อกันไปหลวงปู่มั่นฉันอิ่มขนาดไหนขนาดพอกลางๆถ้าอิ่มเร็วนักพระเนนจะเดือดร้อนถ้าอิ่มช้านักพระเนนจะเอาเป็นตัวอย่างคงจะเป็นแบบนี้ที่ว่านี้ตามสังเกตและเดากัน องค์ท่านอธิบายเป็นเพียงว่าตื่อาสน์ ก, ก็ไม่ดีหิวนักก็ไม่ดีพอดีของใครของมันให้สังเกตเอานั่งนอนยืนเดินก็เหมือนกันนั่งหมายความว่านั่งภาวนายืนเดินนอนก็เหมือนกันแต่ถ้านอนหมายถึงนอนหลับวันหนึ่งคืนหนึ่งหลับสี่ชั่วโมงก็พอแล้วแต่ฉันนั้นยังอีกสี่ห้าคำจะอิ่มก็ให้หยุดเสียดื่มน้ําแล้วพอดีส่วนเดินจงกรมนั้น วันหนึ่งคืนหนึ่งอย่างน้อยก็สามสี่ห้าชั่วโมงก็ได้ที่ว่ามานีหมายความว่าปกติไม่ได้เจ็บป่วยการเดินจงกรมนั้นบางทีข้าพระเจ้าเดินตั้งแต่ห้าโมงเย็นตลอดรุ่งก็มีเดินภาวนาไม่ใช่เดินเอาเวลาปลารบเรื่องฉันอิ่มเสร็จแล้วของหลวงปู่มั่นองค์ท่านเดินไปส้วมพระเนนต้องรีบล้างบาทและเก็บบริขารให้ทันองค์ท่านการไปส้วมก็มีผู้ตามไปรับใช้เป็นต้นว่า รีบไปเทน้ําใส่กระบอกไว้ถ้าอากาศหนาวก็รีบเอาน้ําร้อนไปชงไว้ที่กระบอกชํามละหรือใส่กระป๋องพิเศษชงแล้วตั้งรอไว้แล้วก็คอยอยู่ตามบริเวณนั้นเมื่อท่านออกมาก็ได้รีบรับเอากระป๋องกับองค์ท่านการรับของจากมือองค์ท่านก็ดีการยื่นอะไรอะไรถวายองค์ท่านก็ดีต้องสองมือน้อมเขาลบพอควนจะหล่อและคุ้นเชื่องจนลืมตนไม่ได้ถ้าเราพลิกมารยาตประมาทแคบเดียวองค์ท่านก็ลวง ภายหลังไม่ให้เข้าใกล้เลยใช้อุบายเขียนต่างๆนาๆนาอเนกถ้าแก้ตัวกลับประพฤติดีทนก็เป็นการดีถ้าแก้ตัวไม่ทำแล้วถูกไล่หนีไม่รอชาอนิจจาเอย๋ยอย่าได้นอนใจเลยอยู่กับองค์ท่านถ้าเป็นช่างเหล็กก็ไม่นอนเฝ้าเหล็กอยู่เฉยๆต้องตีและเขียนให้เป็นหนี้เป็นจอบเป็นสิวเป็นขวานถ้าเป็นเหล็กก้นเตาใช้ไม่ได้ก็ขวังทิ้งเพราะเป็นเหล็กส่วนตัวการฉันในวัดป่าบ้านหนองถือ ย้อนมาปลาลบในการเตรียมจะฉันหรือฉันอยู่ก็ดีธรรมดานอกพรรษาแล้วต้องมีการแจกอาหารในศาลาลงฉันจี ป, ปะตะคุกคุยพระองค์ใดเป็นห่วงบาดของตนเองในยามเตรียมจัดแจงกันไม่ปลับเลียวหูตาไวช่วยแจกเกรงแต่หมูเพื่อนจะไม่ให้นั่งเป้าบาดองค์นั้นแหละต้องถูกเทศอย่างหนักในขณะนั้นด้วยถ้าองค์ไหนยอมเสียสละในใจว่าถ้าหมูเพื่อนไม่พอใจเอาใส่ให้เรา เราก็ไม่ต้องฉันเราจะพอใจช่วยแจกช่วยทําคิดอันเกี่ยวกับพระอาจารย์และหมู่เพื่อนให้เรียบร้อยเสร็จแล้วจึงจะมานั่งเฝ้าบาทตนผู้ใดปฏิบัติอย่างนั้นเป็นมงคลในสํานักแม่ถึงข่าวพลาดถูกเทศในเรื่องอื่นๆก็ไม่ถูกแรงนักเพราะอํานาจความกว้างขวางในสํานักเป็นเครื่องดึงดูดทาให้เรื่องอื่นผ่อนคลายไปในตัวและก็เป็นที่สะดวกของครูบาอาจารย์และหมู่เพื่อนด้วยแม้ปัจจัยสี่ จีวรนเสนาสนะเทเจ้าตัวก็ต้องปล่อยให้เป็นเรื่องของครูบาอาจารย์และหมู่เพื่อนจะสงเคราะห์ตนโดยตนไม่ต้องพิถีพิถันภิษุสั ม, มนเนรดปฏิบัติแบบนี้ในสำนักเป็นธรรมวินัยอันลึกซึ้งด้วยเป็นที่เกรงขามของหมู่เพื่อนในตอนนี้อีกจะกล่าวถึงในเวลากำลังแจกอาหารอีกสภาพศาลาฉันในวัดป่าบ้านหนองผือสมัยนั้นเป็นศาลามงยาธาและปู่ฝากว้างประมาณสี่เมตร ยาวประมาณห้าเมตรใช้กระถนกระบอกไม้ไผ่บ้านเวลากําลังแจกอาหารต้องนอนกระถนไวเ้เรียบๆก่อนแจกอาหารแล้วจึงตั้งกระถนขึ้นได้เพราะฝ้าขูดขัดเดินไปมากระถนจะลมในขณะกําลังฉันเงียบสงัดมากไม่มีองค์ใดจะเคี้ยวฉันอันใดให้มีเสียงก๊อก๊แก๊บแ ก, ก๊เลยเช่นถัว่วมะเขือแดงที่ได้ฉันเป็นบางยุคบางสมัยเมื่อเถือนเป็นชิ้นๆแล้วก็ตาม เมื่อมือหยิบส่งเข้าประตูปากแล้วก็ต้องสํานึกว่าเมื่อเราเคี้ยวพรวดลงทีเดียวจะมีเสียงกรอบหรือไม่ถ้าเห็นว่าจะไม่มีเสียงกรอบแล้วเราจึงเคี้ยวพรวดลงทีเดียวถ้าเห็นว่าจะมีเสียงกรอบก็ค่อยเน้นลงให้บุกก่อนจึงเคี้ยวต่อไปข้อนี้พระอาจารย์มหาบัวบอกข้าพระเจ้าจึงได้รู้วิธีปฏิบัติพระวิไนก็บอกไว้ไม่ให้ฉ่ำดังจัดจัดหรือสุดๆด แต่ดังกลบมันก็ผิดเหมือนกันเพราะมันคงเหมือนหมาเคียวกระดูดและเสือกัดกระดูกปลาลบเรื่องมีซ้ำซ้ำากซาอีกก่อนเพราะยังไม่ละเอียดดีตอนฉันอาหารเสร็จพระอาจารย์ใหญ่ไปส่วมไถยส่วมนั้นเป็นส่วมแบบโบราณขุดหลุมลึกประมาณสามเมตรถวายเฉพาะองค์ท่านกว้างเม็ดสิบห้าเซนสวมแบบโบราณมีรางปัสวะท่านองค์ท่านเข้าไปถไยถอดรองเท้าเหลียงคู่ไวเ้เรียบ ไม่หินหน้าหินหลังเปิดประตูแบบมีสติไม่ตึงตังปัสสาวะลงในรางปัสสาวะแล้วเทน้ําลงรางถ่ายเสร็จแล้วชําระด้วยไปตองกล้วยแห้งที่พันไว้เป็นกลมๆยาวคืบกว่าที่ลูกศิษย์จัดทําไว้เพราะองค์ท่านเป็นโลกฤทธิ์สีดวงทวารในยุคนั้นไม่มีกระดาษชําระกระดาษที่มีหนังสือชาติใดๆก็ตามองค์ท่านไม่เหยียบไม่เอาลงในกระถนไม่เอาเช็ดทวารหนักทวารเบา องค์ท่านเคยอธิบายบ่อยๆว่าหนังสือชาติใดก็ตามสามารถจะลึกคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทั้งนั้นจึงควรเคารพยำเกรงเมื่อถ่ายเสร็จแล้วองค์ท่านปัดกวาดเรียกค่อยเปิดประตูเบาๆออกมาโดยสุภาพไม่ตึงตังหน้าเลื่อมใสถึงใจมากเมื่อพิจารณาไปก็คล้ายกับว่าชมทรัพย์เศรษฐีแต่ชมทรัพย์เศรษฐียังมีดีกว่าชมทรัพย์โจรที่เขาพ่นมาได้ ทายเสร็จเรียบร้อยทุกประการก็กลับพักปุติขององค์ท่านทำกิจธุระด้านภาวนาเฉพาะองค์ท่านข้อปฏิบัติต่อหลวงปู่มั่นขั้นถึงเวลาบ่ายหนึ่งโมงกว่ากว่าองค์ท่านก็ลงจากปุติเปลี่ยนอิริยาบถบ้านบ่ายประมาณสี่โมงเย็นก็กวาดลานวัดพร้อมกันไม่มีองค์ใดจะใช้คนละเม็ดหลีกเลี่ยงได้เว้นแต่ป่วยไขย้ไม่สบายหรือได้เฝ่าพยาบาลภิกษุไ ข, ข่ยอยู่เท่านั้นกวาดลานวัดแล้ว ก็รีบหามน้าฉันน้ำชายไว้เต็มตุ่มเต็มไหประมาณวันละสี่สิบปีเป็นเพีวันสับผ้าและวันมีอาคันตุกะมาพักมากก็ตักมากกว่ารีบหามเรียบร้อยแล้วก็รีบไปสงน้าถวายหลวงปู่มัน่นเสร็จแล้วกลับไปสงกุฏิใครกุฏิมันไม่ได้รวมกันไปสงที่บ่อแต่บ่อน้าก็ไม่ไกลอยู่ในวัดริมวัดน้าในบ่ก็ไม่ขาดแห้งเลยสักทีเป็นน้ําจืสนิท ด, ดี พอมทั้งใสสะอาดเยือกเย็นด้วยมีลางไม้ก้งกว้างเทใส่ลางมีผ้ากลองพระอาจารย์มหาบัวได้ดูแลเป็นหัวหน้าแต่ไม่ได้ให้องท่านตักไละหม่มเพียงเป็นนายหมวด น, นายหมู่ดูแลในตอนที่ว่านํนาน้าฝืนๆก็เหมือนกันและการส่งน้าหลวงปู่ถึงเวลาเนนและตาปักขาวต้มรอไว้แล้วพระเนนผู้ประจําส่งน้ํามไม่ได้เปลี่ยนเว้นไว้แต่ผู้ถูแข้งถูขาถวายส่วนผู้นุ่งผ้าผัดผ้าถวาย และผู้ชงน้ำร้อนสงและผู้เก็บตังที่นั่งสงนั้นก็ดีผู้รักษาไฟอั้งโล ก, ก็ดีผู้รอสวมรองเท้าถวายก็ดีไม่ได้ถูกเปลี่ยนข่าพระเจ้าก็ไม่ได้ถูกเปลี่ยนเลยเพราะมีข้อวัดเกี่ยวกับสงน้ำถวายอยู่และมีข้อวัดอันอื่นเกี่ยวอยู่หลายๆอันจะเพาะวันหนึ่งคืนหนึ่งเป็นนิจวัรใครเคยถวายข้อวัดแผนไหนก็ต้องทำแผนกนั้นเป็นประจําจะก้าวกายสัตสนออลมนันแย่งกันทําไม่ได้ ส่วนข้อวัดส่วนรวมด้านอื่นๆเป็นอีกอย่างหนึ่งข้อวัดเกี่ยวกับลูกศิษย์ทาถวายองค์ท่านประจําวันประจําคืนจะก้าว่ายกันไม่ได้ของใครของมันข้าพระเจ้ามีข้อวัดโชคชนอยู่กับองค์ท่านหลายอย่างอยู่มากคือหนึ่งตื่นขึ้นมาแต่เช้ารีบติดไฟอั้งโลเข้าไปไว้ใต้ศูนองค์ท่านให้ไอายไฟส่งขึ้นไปเพื่อไล่อากาศหนาวเย็นไปบ้างสองเมื่อองค์ท่านวิการในธาตุขันผิดปกติ ได้ถ่ายตอนกลางคืนลงที่หลุมใต้ถุนได้รีบเก็บด้วยมือคือเอามือกอบใส่พุ่งขีที่เอาใบตองรองแล้วเอาที่เท่ารองอีกกรอบปุจจลาจากหลุมมาใส่พุ่งขีนั้นส่วนหลุมนั้นเอาเท่ารองหนาๆไว้แล้วมีฝาปิดไว้ตอนกลางวันขํามืดแล้วรีบไปเปิดไว้เช้ามืดรีบไปตรวจ ด, ดูแบบเงียบๆ เ, เมื่อเห็นรอยถ่ายก็รีบเก็บรีบล้างมือด้วยขี้เท่าและน้ํามันจัดตัดเล็บมือไวใ้ให้เรียบข้อที่เอามือกอบออก หลวงปู่มหาบอกแต่ว่าไม่ได้บอกต่อหน้าหลวงปู่มั่นบอกว่าครูบาอาจารย์ชั้นนี้แล้วไม่ควรเอาจอบเอาเสียมนะควรเอามือกอบเอาดังนี้ย่อมเป็นมงคลล้ำค่าของข้าพเจ้าสามเมื่อท่านออกจากห้องตอนเช้ารียบยกอั้งโลจากใต้ศุนขึ้นไปรอรับที่ระเบียงทั้งคอยรับผ้าเช็ดหน้าองค์ท่านที่ท่านถือมาจากห้องนอนพออาจารย์วันนุ่งผ้าถวายเสร็จแล้วยกสองมือส่งองค์ท่านคึนสี่ เมื่อองค์ท่านลงเดินจงกรมตอนเช้าก็รีบเอาไฟตามไปไว้ที่หัวจงกรมและคอยดูแลอยู่ตามแถบนั้นเพราะเก่งท่านจะล่มใส่ไฟห้าเมื่อองค์ท่านไปศาลาเตรียมตัวไปบินธบาตจึงยกอั้งโลตามหลังไปด้วยตั้งไว้ใกล้ที่องค์ท่านนั่งพอสมควรหกกลับบินธบาตแล้วรีบมาตรวจดูไฟอั้งโลแล้วรีบมาดูอาหารของตนว่าอันไหนที่บินธบาตมาได้พอจะถูกกับธาตุขันองท่าน และรีบช่วยหมู่เพื่อนในเรื่องอาหารอย่านั่งเป้าบาทของตนอยู่เหมือนกบทงอยฝังเจ็ดฉันเสร็จแล้วรีบล้างบาทตนรีบเช็ดเอาไปไว้กุฏิตนตอนเที่ยงโอกาสว่างจึงตากบาทแปดรีบเอาบาทท่านอาจารย์มหาบัวไปไว้กุฏิท่านท่านจะตากเองเก้ารีบกลับมาเอาอั้งโลขึ้นไปที่พักขององค์หลวงปู่ให้ทันกับเวลาอย่าให้องค์ท่านขึ้นไปก่อนอั้งโลสิบจงสังเกตให้ดีว่า องค์ท่านร้อนแล้วหรือหรือว่าหนาวอยู่อย่ารีบส่วนแต่จะเอามาดับท่าเดียวสิบเอ็ดบางวันองค์ท่านหนาวจับแต่พักหยู่เตียงนอกห้องท่านนอนอยู่แต่ไม่หลับภาวนาอยู่นิ่งๆต้องขยับไฟเข้าหาใกล้เตียงถ้าท่านห้ามจึงถอยไปออกถ้าท่านไม่ห้ามท่านนิ่งภาวนาอยู่เราต้องนั่งเฝ้าอยู่ใกล้เตียงนั้นนิ่งอยู่ถ้าหากว่าองค์ท่านพูดถามอะไรเราตอบเฉพาะตรงคําถามอย่าลาม และก็ไม่แน่นอนบางทีได้เฝ้าอยู่จนเพียงวันก็มีตอนหัวคำ่ำก็ต้องได้จุดใต้รักษาวนๆเวียนๆอยู่นั่นแหละสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่องค์ท่านและสงฆ์บังคับตนมีศรัทธาเองสิบสองเมื่อคลาวสักรหรือย่อมถวายองค์ท่านเราก็ต้องอยู่กองย่อมกองสักก อ, ก, อกองตัดกองพับไวกองตัดหลงปู่มหากองเย็บท่านอาจารย์วันกองถวายยาแก้โรคท่านอาจารย์วันอาจารย์ทองคา ปู่ที่นอนและเอาบาทไว้ก็อาจารย์วันอาจารย์ทองคําหลวงปู่ให้อุบายข้าพเจ้าปู่ที่นอนต่อหน้าอาจารย์วันว่าท่านล่าปู่ที่นอนกับเขาไม่เป็นเอาแต่ของหยาบๆหนักๆพูดเย็นๆเบาๆแต่ข้าพเจ้าก็เก็บไว้เฉพาะส่วนตัวในสมัยนั้นถ้าหากว่าเล่าให้อาจารย์มหาฟังท่านอาจารย์มหาก็จะต้องให้ปู่จริงๆมีอยู่ข้อหนึ่งที่อดไม่ได้ได้เล่าถวายท่านอาจารย์มหาฟัง คือมีพระองค์หนึ่งปู่ที่นอนถวายหลวงปู่มั่นทั้งปู่ทั้งเหยียบไปมาเต็มเทาบริขารขององค์ท่านบางชนิดเช่นกระป๋องยาสูบก็ข้ามไปมาถ้าพระเจ้าอดไม่ได้ก็เล่าถวายท่านอาจารย์มหาท่านอาจารย์มหาก็หาอุบายสังเกตก็พบจริงจึงพูดขึ้นว่าหมู่เพื่อนทําแบบนี้ไม่มีสูงไม่มีต่ําแบบนี้ผมไม่เหมาะหัวใจปล่อยให้คนที่เขาเคารพกว่านี้มาทําจะเป็นมงคล ทำขวางหมู่เพื่อนเฉยๆดังนี้แต่นั้นมาพระองค์นั้นก็เข็ดหลบับการปูที่นอนขณะนั้นมีสามองค์คืออาจารย์ทองคําอาจารย์วันและคุณสีหาคุณสีหาเป็นหลานอาจารย์วันเมื่ออาจารย์วันปูปูกับคุณสีหาเพื่อจับคนละทางเพื่อให้ผ้าตึงแล้วจึงยัดเยียดตามริมให้ตึงอีกบางทีอาจารย์ทองคาแอบมาปูแต่หลวงปูคงเข้าใจว่าอาจารย์วันกับคุณสีหาเท่านั้นช่วยกันปู ข้อวัดเฉพาะอันนี้ก้าวไายกันอยู่ทางลับๆมีปัญหาว่าเวลาลูกศิษย์ปู่ที่นอนนั้นหลวงปู่ไปอยู่ไหนหลวงปู่กาลังถ่ายอยู่ที่ซ่วงตอนหลังฉันจังหันเสร็จเป็นส่วนมากถ้าถ่ายเวลาผิดนั้นแล้วเรียกว่าทาตไม่สบายเฉพาะองค์ท่านการทําข้อวัดถวายหลวงปู่ประจําวันคืนไม่ให้หลวงปู่หาอุบายคอยลูกศิษย์มีแต่ลูกศิษย์คอยเท่านั้นตอนนั้นพระอาจารย์มหา ได้เทศหมูในยุคหนองผือรับหลังหลวงผู่ซ้ำซซักซเสมอเสมอแม่ตัวของผู้เขียนอยู่นี้ก็ดีถ้าไม่มีหลวงผู่มหาควบคุมในยุคนั้นก็มักจะตีความหมายไม่ออกหลายเรื่องอยู่เพราะบางเรื่องลึกลับจนมองไม่ออกเมื่อองค์ท่านมีโอกาสรับหลังมาอธิบายให้ฟังก็เท่ากับของคว่ำอยู่แล้วหงายขึ้นสำหรับองค์ท่านในสมัยนั้นต้องมีภาระหนักใจกว่าองค์อื่นแต่ด้วยความศรัทธาและพอใจก็เลยกลายเป็นเบาลง กอด้านธรรมะส่วนตัวเพราะเราหลายราษาทั้งชื่อใหญ่เป็นมหาด้วยขอด้านเกี่ยวกับหลวงปู่เพราะเราเคารพและรักท่านมากๆาขอด้านบริหารหมู่เพื่อแบ่งเบาหลวงปู่งอด้านญาติโยมเพื่อให้รู้จักความหมายของหลวงปู่จิต ป, ปาเถาะสารพัดทุกๆด้านท่านเคยเล่าให้ผู้เขียนฟังบ่อยๆในยุคนั้นเพราะเข้าใกล้พระอาจารย์ใหญ่ขนาดไหนก็ เ, เข้าใกล้หลวงปู่มหาขนาดนั้น องท่านฉลาดมากบอกไว้ว่าถ้าวันไหนจะไม่ทันหลวงปู่มั่นในข้อวัดขององค์ท่านอย่ามาล้างกระโถนผมอย่ามาเอาบาทผมลงไปศาลาจงรีบให้ทันข้อวัดขององค์หลวงปู่ก็แล้วกันเพราะองค์ท่านจะวิจารณ์ว่ามาเป็นคณาจารย์แข่งกันเพราะข้อวัดขององค์ท่านมีมากแต่องค์ท่านฉลาดรีบออกห้องก่อนหลวงปู่มั่นตอนเช้าเรามีเวลาไปล้างกระโถนไม่ไผ่ถวายให้และได้เอาบาทลงมาไวศาลาถวาย ส่วนบาทตนเองเอาลงไปก่อนแต่ยังไม่ได้อรุณต้องค้องแค่ ว, ว่องไวจึงได้วิชาเกียริคลานวิชาหลับกลางวันวิชาเกรงจะไม่ได้ฉันของดีๆและมากๆและเกรงจะไม่ได้ช้ชบริขารดีๆก็ไม่มีในสมัยนั้นหนึ่งทุ่มประชุมกันที่กุฏิหลวงปู่มัน่นผู้ที่ไปทำแต่ข้อวัดปู่บาอาจารย์และส่วนรวมบริบูรณ์ก็ตามถามเรื่องภาวนาไม่ได้ความก็ถูกเทศหนักขึ้นผู้เขียนปีแรก ถูกเทศหนักถึงสามครั้งแต่คนละเรื่องมิใช่เรื่องเก่าปีที่สองที่สามที่สี่เงียบไม่มีเลยก็ว่าได้แต่ทำเนียมนักปฏิบัติย่อมถือกันว่าถ้าเทศองค์ใดเป็นต้นเหตุก็ให้ถือว่าเทศหมดวัดถ้าไม่น้อมลงอย่างนั้นแล้วมานะความถือตัวจะ ก, กาเลิกโดยไม่รู้ตัวแม้เมื่อถูกชมก็เหมือนกันถือว่าชมหมดทั้งวัดน้อมอย่างไรจึงได้ความอย่างนั้นน้อมอย่างนี้คือถ้าใครทําอย่างนี้ ก็จะต้องถูกติเตียนอย่างนี้ไม่เลือกหน้าถ้าไรถูกอย่างนี้ก็ต้องถูกชมอย่างนี้เรียกว่าน้อมลงมาใส่ตนนี่ที่หลวงปู่มหาเคยอธิบายในยุคนั้นและปลาลบต่อไปว่าเมื่อสงน้ำถวายองค์ท่านแล้วองค์ท่านก็เข้าทางจงกรมต่อไปจนถึงมืดค่าพระเนนในวัดนั้นก็เช่นกันราวทุ่มหนึ่งก็ไปประชุมกันที่กุฏิองค์ท่านจุดตะเกียงโพะกลมๆเล็กๆกราบแล้วนั่งพับเพียกเรียบร้อยสงบอยู่ องค์ท่านหาเทศเองโดยอิสระเห็นสมควรอันใดด้านศีลสมาธิปัญญาประเภทใดๆองค์ท่านประเภศอย่างจุใจของผู้หวังอัดหวังทำด้านศีลองค์ท่านกล่าวเป็นลําดับทั้งพุทธบัญญัติและอภิสมาจาระอย่างแยกใครทั้งย่นและขยายหลายร้อยหลายพันในย่นลงในเอกศีลในปัจจุบันทันการพร้อมทั้งสมาธิปัญญาให้สมดุลกันไปเป็นชั้นๆจนถึงโลกุตตะลาศีล โลคุตตะาสมาธิโลกุตตะาปัญญาอุบายขององค์ท่านแตกฉานในอัฏฐะในธรรมพุทธประวัติของพระองค์ตลอดภาษาวกสาวิกาจับมายกเป็นตัวอย่างให้คุณละบทคุณลธิดาปลุกใจให้ศรัทธายิ่งขึ้นตลอดถึงองค์ท่านวัยหนุ่มได้ขึ้นเขาลงห้วยสันโดษบางน้อยขยันหมั่นเพียรมอบเป็นมอดตายต่อการปฏิบัติปลุกจิตใจให้เห็นภัยในสงสารภัยกับไฟกับกิเลส ก็มีความหมายอันเดียวกันแห่งรดชาติมีไฟหลงกับไฟอวิชาที่ทําให้เป็นไฟก็มีความหมายอันเดียวกันนอนเนืองอยู่ในขันเท่าสันดานของปวงสัตว์ผู้ที่หนักไปในโลกียสมบัติวัตถุนิยมจนกลายเป็นยาเสพติดของเจตนาอันมุ่งหมายจนกว่าอริยมรรคอริยผลเบื้องตน้นจะปรากฏเด่นชัดในตนจึงจะไม่เดินวนขอบกระดง้งจึงจะพอใจเดินผ่าศูนย์กลางกระดง้งข้ามฝากขอบกระด้งไปฝากโนน คือฝากโลภฝากโกรธฝากหลงและถ้าไม่ยอมขี่เรืออสุภะอสุพังข้ามฝากคือหนังหุ้มอยู่โดยรอบนี้ก็ยากจะข้ามทะเลลาคะได้และยากจะบรรเทาลาคะได้อีกผู้มีลาคะมีหลงหนังอยู่ก็เหมือนไม้ที่มียางทั้งแค่อยู่ในน้ำจะสีให้เกิดไฟจนแขนกาดย่อมเกิดไฟขึ้นไม่ได้เลยผู้คอยแต่จะเอาโกรธออกหน้าถ้าไม่นับไปทางเมตตาตนเมตตาสัตว์อื่น ให้เสมอภาคกันแล้วโกรธก็ยิ่งจะบวกโกรธคูณโกรธทวีไม่ผ่อนปลนลงได้ผู้ไม่มีสติลืมลืมหลงหล ง, ลงเป็นเจ้าใหญ่นายโตของขันท่าสันดานแล้วไม่พอใจกําหนดลมออกเข้าความลืมลืมหลงห ล, ลงนั้นก็ยิ่งบวกทวีคุณหนักเข้ากรรมาฐานแต่ละอย่างแต่ละอย่างมีพระคุณอยู่ก็จริงอยาแก้โลกแต่ละอย่างแต่ละอย่างมีคุณอยู่ก็จริงถ้าวางยาไม่ถูกกับโลกแล้วโลกก็หายยากด้วยข้อนี้ ต้องยึดอยู่กับเจ้าตัวของใครของมันจะสังเกตลู่เองส่วนตัวการประชุมก็หนึ่งทุ่มไปหาสี่ทุ่มเป็นส่วนมากเสร็จแล้วบางทีก็จับเส้นถาวายการจับเส้นไม่ได้พูดไม่ได้คุยกันเลยบางทีจับเส้นไปไม่นานเท่าใดองค์ท่านก็บอกหยุดแล้วก็ส่งองค์ท่านเข้าห้ององค์ท่านก็กราบพระภาวนาต่อไปและบางวันองค์ท่านก็เข้าห้องเร็วกว่านั้นบ้างแต่การตื่นนอนล้างหน้านั้นมีเค้นตีสามอยู่แล้ว ปี2489ก็ดี2490ก็ดีสวันประชุมคราวหนึ่งตลอดทั้งแรงและผลแต่ฤดูแรงก็ไม่แน่นอนเพราะพระอาคันตุ ก, กะมาบ่อยๆปี2491 7เจวันประชุมคราวหนึ่งสวันบ้างกว่าบ้างจึงประชุมเพราะชลาภาพหนักเขา้าในยุคหนองผือองค์ท่านให้โอกาสพิเศษแต่ละบุคคลใครขัดข้องจำเป็นให้เข้าหาได้เป็นพิเศษ การเปิดโอกาสรับแขกประจําวันเช้าออกห้องแล้วรับแขกประมาณห้านาทีเพราะจวนลงจงกรมก่อนบินทบาทตอนฉันเสร็จถ่ายส้วมแล้วรับแขกที่กุติท่าน5หรือ10นาทีบ่ายหนึ่งโมงตอนกลางวันรับแขกอยู่ประมาณ20นาทีองค์ท่านลงต่อเวลาขององค์ท่านมา